การบำเพ็ญทานของญาติโยมที่เราได้อาศัยลดเลี้ยงสังขารให้เป็นอยู่ได้นี่เป็นมหาบุญอันหนึ่งแต่าการสูงเึินไปก็จะบำเพ็ญบารามี ความดีนี่เลาหลมจิตใจในกายเราในการดำเนินเดินอยู่ในวัตฏะคำว่าเดินในวัตตะนั้นคนเรามีถ้าเราเดินอยู่ในปัจจุบันเหนื่อยเขาพักนวางหลักของ วันคืนไว้กลางกลางวันในกรรมธุรกิจเพื่อหาปัจจัยมาเรียงชีวิตพระพระพุทธเจ้าตรัสให้บําเพ็ญภูบบิดาบาต พระศาสดาก็ทรงบำเพ็ญเพื่อหาเยื่อมายาท้องเพราะสังขารร่างกายเป็นตัวทุกขิจกรจเจ้ า, ามาหนุกขานี้ความมีเป็นทุกข์อย่างยิ่งอ า, อาศัยปัจจัยคืออาตมาปัจจัย ในทางกายนี่ตรงอยู่ได้หรือปัจจัยอื่นที่เราเว้นกีรปปัจจททัยภาปนทนสบายที่อยู่ที่อาศัยจินเนียอาคารเป็นการป้องกันหนาวยังไม่พ อ, อใช่ความร้อนเรื่องฮตเตอร์ ใอ้ร่างกายอบอุ่นพอทนอยู่ได้ในังในกลางพุทธการพระก็เจอกันขันนะบรรจกขันห้าที้รูปร่างกายทั้งหมดพระ บ, บรมถูก็ตรัดว่าขันห้าส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปเวทนา ประาาสาทของกายอย่างทำงานอยู่กายรู้ว่าเวทนาร้อนมาทบรู้ว่าร้อนเย็นมากระทบสัมผัสรู้ว่าเย็นเหล่านี้ก็ เ, เรียกเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นธรรมดาของสังขารเมื่อทำมานอยู่อย่างนี้สังขารก็ทนอยู่ได้ สัญญาคือความจำได้คำสอนในทางศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทตรัสไว้ผู้ที่มีอาทยวัตถุจิตใจไม่คุ้งสร้างจำในแม่นยำลืม อ, อาศัยการศาธยายไขวันวั น, วนยืมเสียชั่วโมง เป็นไวแต่เปลี่ยนิริยามดจำวัดนกนั้นศาสทยายมนอย่างกลางคืนศาสทยายเพื่อทรงจำแล้วนำมาพิจารณาธรรมะเป็นหมวดเป็นหมู่มันหมู่ไม่อยู่เป็นหมู่ธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหมู่ ทิบันปัจิตให้ปพิจารณาเนืองๆว่าบบดนี้เรามีเพศต่างกัดแล้ว อ, อ, อาการกรยาใดๆของธรรมะเราต้องทำอาการกรียรนั้นๆปฏิปัตตาเมชีวตการชีวิตเนื่องผู้อื่นทุกจริงทุกดางญาติโยมให้ ทุกอย่างน่าเริ่มใช้ญาติโยมในพยายามนวิถีทางเราฝ่สำน้าควรภูมิใจควรจะทำไม่ใจพูดพูดแต่ความเป็นจริงนะครับควรจะทำความดีปินผูเลี้ยง่าย เนรายินดีในที nature, ่สะาดหรือไม่คุณความคุณวิเศษมีอยู่ในตนหรือไม่ที่บูญตาไม่เราไม่เก้อเขินนี่เน้นย้ำมือนตำมัวตะบัวมันแน่นหนาขึ้นมาเป็นการเตือนจิตของเราให้จิตของเรามีธรรมะคือสติ ที่รีบร่งเครื่องเยอะเครื่องยนต์คือทำจิตให้มีสติเฉียนสติปัญญาในพิจารณากายวันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปบบ น, นี้ทำอะไ ร, ร, รยอยู่ตุนยากาเรียวินดีในที่สะอารหรือไม่ เขาเรีกว่ากายวิเวกภาษาธรรมะจันตะกาโยกายวิเวกดังพระพเทธเจ้าพาวาวบกไปเข้าปาหลายร้อยห้าร้อยอปปัจจโดไม่มีเสียงพอมุ่งปฏิบัติทำดีในมันหลุดพ้นจากอาสวะ กามสวะจิ่งที่มันดองในใจของเราก็ได้อาสวะมันหมักหมมอยู่เหมือนวัตถุของภายนอกถ้าหมักหมมนั้นในกลิ่นไม่ดีครับในจิตของเราก็เหมือนกันนะแต่กามสวะก็เป็นของปฏิกูลเนะขาไม่สะอาดถ้าตรัสไปอย่างนั้นเราต้องน้องประมา ในกายนี้หลังไหลออกเป็นอะไรเม่นข้างหน้าน่ะเป็นกี้ตาก็เม่นเป็นขี้ก็เม่ น, เ ป, น, มนเป็นขี้ฟันก็มนเมนเฮือออกมาเป็นขี่โต้ก็เม่นอะไรเม่นข้างหน้านไม่น่าจะยินดีเลยเพราะฉะนั้นให้พิจารณา กายเนี่เป็นของบริคุณเป็ น, นอของนาเกียดเพเขาไม่ช่วยไม่งามจึงให้เกิดนิพิทาคลายความยินดี อ, นนนอ่านหนังสือรในของอาารเ์พ่อว่าเราทำสมาธิจิตเนี่ยตัดอร่อยเนี่ยมีความอร่อยใน้อดับทุกนิโรธคือความดับทุก จาโคสลากายของเราที่มันอยู่ได้นะคอยสลาภาษาธรรมะเ็าเรียกปุญญาพิสังขารบุญแต่งครับขอให้เพื่อนเราทำบิสและญาติโยมทุกท่านทราบความเป็นจริงที่โยมเป็นอยู่ได้เวลานี้ปุญญาพิสังขารมันแต่งครับแต่ภาษาธรรมะที่ตัย่อย่อ มีความลึกซึ้งมีความหมายก็าจากูมันสราคกอุกคลันตังอจาะคุณบาลีอ่านกันเดทของท่านคุณบาลีอุกคลันตังปา ก, กลันตังแต่ก้องตะปุญสมเด็จที่ยวทรงจำทะตาคือทรงไว้ว่าจะตา ทองมันออกมาตรวจมลเนี่ยในสัญญาของเราเสื่อมแต่แต่เราใช้เวลามันเวลาป็นอย่างอื่นไม่ความว่าเราย่างประมาทยังเชื่อในโอวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่เต็มรอยเปอร์เซ็นถ้าเราเชื่อเต็มร้อยเปอร์เ็มเราบดในหกสิบเพลงมันรู้ทำแล้ว ไม่ต้องใส่สงไม่ต้องสงสัยนี่มันประมาทประมาดูมัดุโดปรวังความมาจคือความตายตายจากความดีเราเห็นความดีแค่เนื้อแค่หนังมันตันพุทธะท่าแค่เนื้อแค่หนังหลับไปหน่อยเต๋อไปแล้ว ฉะนั้นถึงท่านโสในมีธรรมะคือสเติเป็นเครื่องตื่นครับชากระธรรมทำที่เราควรพิจารณาที่นส้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจครับวันหนึ่งวันหนึ่งยี่สบสชั่วโมงแต่เราซ้ำรวมข้อที่ไม่ผิด จำบรวมตาให้มีสติควบคุมตาไว้ไม่ให้นิวรนเข้ามาท่านว่าตัวนิวรนนี้มันไม่ขอไปเหมือนหมามันแม่มั น, มมนยื่ยแย่งอาหารคือความดีในในดวงใจของเรามันยื่ยแย่ง เราแยกความดีความดีคืออะไรคืออา่านใจความดีคือติดๆิเป็นสมาธิตัวนิวนมันดึงดึงจิตหลอกหลอกกิจไปยึดในอารมณ์ต่างๆ เพราะั้นตันตรัสไว้ในในประจัยวิดกตัววิญญาณความรู้ทางตาเ็เป็นมายากลคือมันหลอกนำสื่อไม่ดีเข้าสู่ใจใจก็ไหวนะครับแต่เรามีธรรมะคือสติเป็นเครื่องกัน้นอารมณ์นั้นก็ไม่เข้าสู่ใจใจเราไม่ไหว ใจมันนิ่งเน็ตเดียวไม่ก่อเกี่ยวในเรื่องอะไรทั้งหมดเสียงองเหมือนกันเสียงที่ไปร้องยิงคนเอาเสียงเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรมาเรียงไว้เพืร้องไปร้องเสียงถ้าเสียงธรรม ทำให้เราเข้าใจในธรรมตาลบถึงเสียงธรรมเจนรูปรูปัปปงงานนี่จังรูปมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตีนี้ตีนี้ตีนี้พิจารณาไปพิจารณาไปใจน้องตัวสติพิจรารณาดึงขมาพิจรารณารูปหรือในยะหนึ่งทัานว่ากายานุปัฏนาพิจารณาการ แม่ลมหายใจก็พิจารณาเป็นตัวกาเป็นการตนปรือให้ร่างกายอยู่ได้ให้ร่างกายโ อ, อนเฉลวยควรเกต ก, การงานการที่จิตมีธรรมะคือสติพิพจารณาเวทนา เวทนาสุขข้างเวทนานุสุขบ้างดุกข้างเวทนานุทุกบ้างอาตุกรมาสุขขังเฉยเฉยชลังอุเบกขาออกมาแต่เชลังเบกขากั้นกายค็แน่วแน่อยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งดูลมหายใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ไว้ไปตำอาการของนิวรณ์ พยายามบาบางแม่นิดบางเทใครทำจริงจริงไม่เรื่องจิตเรามันประวัติกิดไปไปคิดมันคิดผิดนะครับจึงมิถาทิติความเห็นผิดจิตที่ไม่เหนียวแน่นอยู่ในธรรมทิไม่ฌานยังไม่เกิดเมื่อไหร่ใจก็ไว้ไปน่ะบางตัวจะโดนฌานฌานถึงด้ดยฌานสี่ พิ่ตกตรึกอยู่กับลมหายใจใจจะมีสติสติเนียวแน่นเห็นเวทนาเห็นจิตในจิตธรรมาชาติจิตนี่ผงใสมันตรงคำ จิตใจจิตสมองไปอาคันตุกกะมันจดมาอารมณ์ที่มันจดมาครับแต่เราไม่ซ้ารวมในจริงด้วยเด็กท่านตัดยังไรก็เป็นจริงอย่างนั้นแ้นการปฏิบัติทมต้องอาศัยสํารวมทุกระเบีดยดนิ้วสันรวมตาสํารวมหู สำรวมจมูกสติไปกั้นอยู่สำรวมลิ้นสำรวมกายแล้วสำรวมใจมาอยู่ที่ใจตังจึงสอนในรักษาจิตจิตมีวิตกตรก อยู่กับลมหายใจวิจารณ์พิจารณาแต่เดินดวงาจานรวิจารณ์แยกเป็นส่วนๆเมื่อนายแพทย์ที่แยกเขาแยกโรคก็ตรวจตรงนั้นเอา ต, ต, ตัวนั้นมาเอายาตัวนั้นไปแก้ตัวนี้เอายาตัวนี้ไปแก้ตัวนี้จึงหายนะครับ แค่นี้ในกายของเราที่เราฉันปีนาบาตตัวบุญไปแก้เลยครับไปแก้ใา้ประโยชน์แก่โปวดบ้างให้ประโยชน์แก่ตับบ้างให้ประโยชน์แก่หัวใจบ้างให้ประโยชน์อาหารใหม่อาหารเก่าในอาการสามที่สองแค่นี้เราได้ ใช้ถูกกิลิยมาบังคับใช่เป็นทธิปิจึงให้เดือดร้อนจึงงามออกเพราะฉะนั้นธรรมะจิตสัมบูชงเลือกตัวจิตก็เลือก เลอกอารมณ์ไม่ควรกับจิตอย า, าจฆิตเจริญอาสุภกรรมฐ า, านโทชาจกจเจริญเมตตามีตาวิาโยพิคูปะสนโนพุทธสาสันดท่านว่าอย่างนั้นอธิการเจ็บบงรลุบรรลุชันติบทบทคือความสงบ พ, พอจิตดึงอะไรเข้ามาสู่ใจจิตมันสบายมันคลาย ไม่ได้ผูกกับคลายความยินดีคลายความกำหนัดจึงเรียธรรมวิจยาวิริยะความเพียรทำติดต่อกันไปแม่แต่จะเกลี่ยนอียาบทแต่ความเพียรตัวผลของความเพียรที่เกิดขึ้น ที่ดันตรัสไว้อะความชั่นานของความดีมันเก็บตัวจิตนี่เก็บความดีผลกาไรเหมือนเราแวงงานทรัพย์ผลกาไรฝากไว้นในธ น, นาคารผลของให้คือความเบาใจนะครับความดีมันทำให้จิตมันเบามันเก็บขึ้นมากท่านจึงว่าสีครับ ความจำนานของกิตที่เกิดขึ้นจากความเพียนจึงวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาองค์แห่งความเพี่ยนคือวิริยะปีติความโบกายท่นสอไม่ไม่นี่ไปบังคับอ่านหนังสือของท่านพอเนบังคับกิตเนีย่ยบังคับลม ทำจิตในรูปรมเฉยๆปิติโบจิต ค, คือความโบจิตจิตไม่อุปาทานเนี่ยไม่ไปยึดรูปูปาทานยึดในรูปแต่จริงรูปไม่ไม่ไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ในหัวใจเราได้หรอกแต่เรายุดอารมณ์ของรูปที่เราธรรมะคือการติจิตไม่ไปยึดมันเห็น มันจ er. ึงวุ่นวายวุ่นวายในใจของเราตึงอุทะอุจากุงฟุ้งฟุ้งไปเหมือนลมพัดธุริตองคุ้นฟุ้งไปมันดีเป็นชั้นต่างๆคุ้นหมุนบุนเลยอ่ะอย่างน้าที่เขาว่ามันหมุนเลยครับหมุนท็อปันหมุนจึงอันตราย เมือม่อมยธรรมะจติเป็นหางเสือคุมคุมจิตให้แนบสนิท ด, ดูกับลมหายใจปีติปัจสถิสงอบเขาได้สงอบอารมณ์อารมณ์ ปฏิเสธสงบเหมือนทีราไปทับไว้ทับทับกิเลสไว้ไม่มันพุ่งไปทับไว้ถึงองจ์ฌานก็ว่เผาก็ได้อารมณ์ข้ามานั้นเผาครับรูปข้นมาก็เผาเขียงข้นมาก็เผา เฉลังอุเบกขาเป็นเกือนกันอารมณ์ทั้งหกท่านจะฉะลังอุเบกขาฉะแป ล, ล, ล, ล, ลว่ากันอารมณ์หกอย่างเป็นฉลังอุเบกขาข้าไเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสะรัดออกไปทิ้งออกไป โดยใช้ปัญญาที่มันเกิดขึ้นสมาธิปริภาวิตังสมาิปัญญาสมาธิปริภาวิตังปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วปัญญาปริภาวิตังจิตตังจิตที่ปัญญาอบรมแล้วตัวปัญญามันตัดครับ มันตัวเฉียบขาดตัดเลยเหมือนไหนแพทย์แต่ความตัดอารมณ์นี้ทำให้ชีวิตของเรามันพบมันจนถึงยังมีเกิดกระเจนกันต้นยกปูมจิตขึ้นสูงโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลส ก, กายณิติกับยุทธ์มัน่นถือมัน่น กายไม่มีเก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตัวยึดมั่นถึงมันสกายมิจิกิจจาไม่สงสัยแไม่สงสัยในความดีความดีนี้เหนียวแน่นอยู่กับจิตสีน้ำปะอรามัตขั้นสูงขึ้นไกลสินพอดคือเครื่องขัดทิละเอดขึ้นไป แต่ว่าฌานที่ตกไปจะปิติสุขเอกะกาตาปิติสุขเอกะกาตาลมเฉยๆอารมณ์เปหนึง่งเฉยเฉยฌานในวงฌานในกระไปเห็นทุกข์อยเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วจิตที่เห็นทุกข์แล้วตัววิชามันเกิดขึ้น วิบุติญ า, านาทนายานเห็นว่ามันพ้นจากทุกข์แล้วแต่รู ป, ปรกายเนยก็ต้องบริหานไปเป็นผลที่ไม่เกิดมาจากความเกิดเป็นผลของความเกิดคือชาติชรามรณะ